หา้ะที่เป็นพระในพุทธศาสนาอาตามาต้องเกี่ยวข้องกับความตายบ่อยๆมันเป็นหน้าที่อย่างหนึง่งที่จะต้องประกอบพิธีชาปนกิจแกะพุทธด้วยเหตุนี้อาตามาจึงรู้จักคุ้นเคยกับผู้อำนวยการชาปนกิจในเมืองเพิรหลายคนเป็นการส่วนตัวบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาต้องประกอบพิธีที่สงารส่งเกียรติในชุมชน ในเวลาส่วนตัวพวกเขาจึงมีอารมณ์ขันกันเต็มที่ตัวอย่างเช่นผู้อำนวยการชาปนากิจคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่าสุสานแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียใต้ตั้งอยู่ในแอ่งกระทะดินเหนียวเขาเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าพอเกิดฝนตกหนักหลังจากที่เพิ่งหย่อนหีบศพลงหลุม น้ำจะไหลลงไปในหลุมศพขณะที่บาทหลวงกำลังทำพิธีอยู่หีบศพก็ลอยขึ้นมาอย่างช้าๆเต็มตาทีเดียวอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผู้นำศาสนาประจำเมืองเพิร์ตกำลังเริ่มประกอบพิธีได้น้อมตัวลงไปโดนปุ่มทั้งหมดบนแท่น โดยไม่ได้เจตนาท่านใดนั้นขณะที่ท่านกำลังอ่านข้อความอยู่หีบศพก็เริ่มเคลื่อนผ่านผ้าม่านออกมาไมโครโฟนถูกตัดและเสียงแตรนอนก็กังวนไปทั่วห้องทงั้งทั้งที่ผู้ตายไม่ใช่ทหารแถมยังเป็นผู้ยึดถือลัทธิสันติภาพเสียด้วย ผู้อำนวยการชาพนกิจคนหนึ่งมีนิสัยชอบเล่าเรื่องตลกให้อาตมาฟังขณะที่เราเดินไปด้วยกันน่ารถขนศพตามด้วยกระบวนแห่ศพผ่านสุสานไปยังหลุมฝังศพตอนจบของเรื่องโจกแต่ละเรื่องของเขาซึ่งตลกมากๆเขาจะใช้ข้อสศอกกระทุงซี่โครงอาตมาพยายามจะให้อาตมาหัวเราะ เท่าที่อาตมาสามารถทำได้คือกลั้นไม่ให้หัวเราะ อ, ออกมาดังๆดั ง, ดงนั้นเมื่อเราใกล้จะถึงจุดที่ประกอบพิธีอาตมาต้องบอกเขาอย่างจริงจังให้เขาหยุดความประพฤติที่ไม่สมควรเสีย<อ>เพื่ออาตมาจะสามารถปรับสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ นั่นเท่ากับเป็นการยั่วยุให้เขาเริ่มเล่าเรื่องตลกเรื่องใหม่เท่านั้นคนบองปีที่ผ่านมาอาตมาเรียนรู้ที่จะทำให้งานศพแบบพุทธคลายความเคร่งเครียดลงเมื่อสองสมปีก่อน อาตมารวบรวมความกล้าที่จะเล่าเรื่องตลกในการประกอบพิธีชาปน ก, กิจเป็นครั้งแรกเมื่ออาตมาเริ่มเล่าเรื่องไปได้สักเล็กน้อยผู้อนนวยการชาปน ก, กิจซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังผู้สูญเสียคิดออกว่าอาตมากำลังจะทำอะไรจึงพยายามบุ้ยใบให้ใหอาตมาหยุด การเล่าเรื่องตลกในงานศพเป็นสิ่งที่คนไม่ทำกันแต่อาตมาตั้งใจซะแล้วหน้าของผู้อำนวยการซีดลงซีดลงยิ่งกว่าซากศพสะอีก <schaffen. S 1> เมื่อเรื่องตลกจบลงผู้ที่กำลังเศร้าโศกจากการสูญเสียที่อยู่ในโบสถ์ก็หัวเราะกันลั่น และสีหน้าของผู้อำนวยการที่งอ้ําอยู่ก็คลายลงด้วยความโล่งใจครอบครัวและเพื่อนๆของผู้ตายเข้ามาแสดงความยินดีกับอาตมาเขาบอกว่าผู้ตายต้องชอบเรื่องตลกนี้เป็นอย่างมากและเขาจะต้องพอใจมากๆที่บรรดาคนที่เขารักทั้งหลายมาร่วมส่งเขาด้วยรอยยิ้ม เดี๋ยวนี้อาตมามักจะเล่าเรื่องตลกนี้ในการประกอบพิธีชาปานกิจทำไมจะไม่เล่าละ่ะแล้วโยมอยากจะให้ญาติมิตรของโยมฟังเรื่องตลกของอาตมาในงานศพของโยมไหมล่ะทุกๆครั้งที่อาตมาถามคำถามนี้คำตอบที่ได้รับเสมอๆก็คืออยากสิ เรื่องตลกนี้มันยังไงกันล่ะสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันมานานมากจนเมื่อคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็ตายตามภายในเวลาเพียงสองสาวันถัดมา ดังนั้นทั้งสองจึงได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันเทพบุตรรูปงามพาทั้งสองไปที่คฤหาต์หรูบนหน้าผาเหนือมหาสมุทกว้างใหญ่ซึ่งอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเทพบุตรประกาศว่าคฤหาต์นี้เป็นรางวัลที่สวรรค์มอบให้เขาทั้งสอง สามีซึ่งเป็นคนละเอียดรอบคอถามขึ้นทันทีว่านั่ น, นดีมากเลยครับแต่ผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าภาษีโรงเรือนสำหรับครือหักใหญ่ขนาดนี้หรอกครับเทพบระบุยิ้มอย่างอ่อนโยนและบอกเขาว่าไม่มีการเก็บภาษีโรงเรือนบนสวรรค์หรอก แล้วจึง่าคนทั้งคู่เดินชมห้องต่างๆมากมายในคราฮารา์แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรระณีตบ้างก็ด้วยเฟอร์นิเจอร์แอนทิกบ้านก็แบบสมัยใหม่โคมไฟระยะห้อยลงมาจากเพดานหลายแห่งหัวก๊อกทำจากทองคําแท้ส่งประกายแวววาวในห้องน้ำทุกห้อง มีเครื่องเล่นดีวดีและโทรทัศน์จอกว้างเทคโนโลยีล่าสุด mm hmm. เมื่อสิ้นสุดการถั่วคารารเทพประบุต์บอกว่า mm hmm. หากมีอะไรที่คนทั้งสองไม่ชอบโปรดบอกได้เลยเราจะเปลี่ยนให้ทันที นี่เป็นรางวัลจากสวรรค์ผู้สามีคำนวณมูลค่าของทุกสิ่งทุกอย่างในครือหารแล้วบอกว่าของตกแต่งราคาแพงเหลือเกินผมไม่คิดว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าเบีย้ยประกรันทรัพย์สินหรอกครับ เทพประบุถอนใจเฮือกใหญ่แล้วบอกอย่างนุ่มนวลว่าบรรดาหัวขโมยทั้งหลายไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนสวรรค์หรอกดังนั้นการประกันทรัพย์สินจึงไม่จำเป็นและเขาก็นำคนทั้งสองลงบันไดไปสู่โรงรถซึ่งจอดรถได้ถึงสามคันมีรถขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหญ่ หม่เอี่ยมที่จอดหยุดถัดไปคือรถลีมูซีนโรสรอยซึ่งส่องประกายระยิบระยับคันที่สามคือเฟอร์ลารีสปอร์ตสีแดงเปิดประทุนรุ่นพิเศษผู้สามีอยากได้รถสปอร์ตแรงสูงสักคันมาตลอดชีวิตบนโลกของเขาแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่จะได้เป็นเจ้าของเท่านั้น เทพประบุตรบอกว่าถ้าเขาปรารถนาจะเปลี่ยนรุ่นหรือสีก็ไม่ต้องเกรงใจให้บอกได้เลยนี่เป็นรางวัลจากสวรรค์ผู้สามีเออยยังไม่ค่อยจะพอใจนักว่าแม้ว่าเราจะมีปัญญาจ่ายค่าทะเบียนรอกซึ่งความจริงเราก็ไม่มี ทุกวันนี้รถสปอร์ตความเร็วสูงจะมีความหมายอะไรมันก็ต้องลงเอยด้วยการจ่ายค่าปรับความเร็วน่ะสิเทพบุตรสายหัวแล้วบอกอย่างอดทนว่าไม่มีค่าทะเบียนรถบนสวรรค์แล้วก็ไม่มีกล้องตรวจจับความเร็วด้วยเขาสามารถจะขับเฟอร์รารี่เร็วได้เท่าที่เขาพอใจ แล้วเทพระบุตรก็เปิดประตูโรงจอดรถบนถนนฝั่งตรงข้ามมีสนามกอล์ฟ18ปดหลุมงดงามเทพระบุตรบอกว่าบนสวนรรค์เขารู้กันว่าชายผู้เป็นสามีชอบเล่นกอล์ฟมากขนาดไหนและสนามกอล์ฟที่แสนวิเศษนี้ ไทเกอร์วูดเป็นผู้ออกแบบด้วยตัวเองเลยทีเดียวผู้สามียังมีทีท่าไม่เป็นสุขหนักเมื่อเขากล่าวว่านี่เป็นสโมสรกอล์ฟที่ท่าทางจะแพงมากดูได้จากคลับเฮาส์และผมคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าสมาชิกหรอกเทพบุตรส่งเสียงครางออกมา ก่อนจะรวบรวมความสงบสุขเยี่ยงนักบุญของเขาคืนมาเขาย้ำให้ผู้สามีแน่ใจได้ว่าไม่มีค่าสมาชิก ค, ค่าธรรมเนียมใดๆบนสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นสนามกอล์ฟบนสวรรค์ไม่มีการเข้าคิวเพื่อจะออกรอบลูกกอล์ฟจะไม่มีวันตกลงในบังเกอร์สนามได้รับการออกแบบชนิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะหัวท่าไหน ลูกกอบก็จะหมวนตัวลงหลุมเสมอนี่เป็นรางวัลจากสวรรค์หลังจากที่เทพบระมุจากไปสามีก็เริ่มดุว่าพันตรยาของเขาเขาโกรธเธอมากถึงกับตะโกนเกลี้ยกล่ดใส่เธอและประนามเธออย่างรุนแรง เธอไม่พอใจเลยว่าเ็าโกรธเธอทำไมเธอไม่พอใจฉันเรื่องอะไรเธอว้าวอนเรามีเครื่อหาดและเฟอร์นิเจอร์สวยงามเธอได้รถเฟอร์รารี่ที่เธอจะขับเร็วได้เท่าที่เธอต้องการก็เพราะ นางเนี่ยเอ้ยสามีพูดด้วยความขมขื่นถ้าไม่ใช่เพราะอาหารสุขภาพทั้งหมดที่เธอให้ฉันกินแล้วก็ฉันก็คงได้ขึ้นมาอยู่วันนี้ตั้งหลายปีแล้วนะสิ